2.7 เราตัดสินด้วยเหตุผลไม่ใช่ความรู้สึกวงเล็บเปิด2 3มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที42วงเล็บปิดเราตัดสินสิ่งต่างๆในทางโลกด้วยเหตุผลนะไม่เอาความรู้สึกเข้าไปใช้ถ้าใช้แล้วอคติมันจะเกิดอย่างเราชอบสิ่งนี้ใช่ไหมเราก็ตัดสินลำเอียงเข้าข้างมันเราเกลียดสินน่งนี้เราก็ตัดสินลำเอียงไปทางเล่นงานมัน ให้ใช้เหตุผลความรู้สึกเราเชื่อไม่ได้ความรู้สึกของเราส่วนมากถูกกิเลสหลอกอีกทีหนึ่งฉะนั้นอยู่ในโลกนะใช้เหตุผลเราหัดเจริญสติเพื่อให้จิตของเราปราศจากอาคติเมื่อไม่มีอคติแล้วการพิจารณาเหตุผลจะรอบคอบรัดกุมเหลือที่ข้อมูลแล้วคราวนี้ข้อมูลและกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลจะอยู่ในโลกจะเอาชนะได้ก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะข้อมูลต้องแม่น มีข้อมูลที่แม่นแล้วก็มีกระบวนการตัดสินข้อมูลซึ่งปราศจากอาคติวันหลังต้องเปิดคอร์สวิชานี้เพราะหลวงพ่อเชี่ยวชาญ